ซีดีเสียงอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นบทความโดยคุณหลวงและคณะจัดทาซีดีและบันทึกเสียงอ่านโดยโจโฉแจกฟรีเป็นธรรมทานไม่สงวนลิขสิทธิ์สามารถนําไปออกอากาศเผยแพร่แจกจ่ายต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นสงวนสิทธิ์ห้ามตัดต่อแก้ไขหรือนำไปจำหน่ายสำหรับซีดีชุดนี้เป็นไฟล์คุณภาพปานกลางย่อขนาดให้เล็กลงมากนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการเผยแพร่และสามารถใส่เนื้อหาได้ครบทั้งหมดในแผ่นเดียวจึงทำให้คุณภาพเสียงออกมาไม่ดีนักสาหรับท่านที่สนใจไฟล์คุณภาพสูงคมชัด หรือต้องการนำไปออกอากาศเผยแพร่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ w w w jocho net jocho net การจัดทำสื่อธรรมะเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานที่ผ่านมาทั้งหมดต้องกราบขอบพระคุณญาติธรรมละหลายท่านที่ร่วมสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์จนทำให้สามารถดำเนินงานเผยแพร่ธรรมะออกไปได้อย่างกว้างขวางและได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังมีคนเห็นความสำคัญในสิ่งที่ทมและร่วมผลักดันให้การเผยพระธรรมะในรูปแบบสื่อเสียงธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงนะครับสภะธานังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้เคยร่วมสนับสนุนในการผลิตสื่อเสียงธรรมที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าซีดีชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตและเจริญในธรรมของทุกท่านร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมและร่วมกันจำลองพระาศาสนาด้วยการขัดเกลาตนเองไปพร้อมๆกันนะครับเจริญในธรรมครับโจโฉ 4. ตุลาคมพุทธศักราช2552